พิมพ์ฟังรู้ไหมว่าทําไมคนเราเนี่ยบางดีบางทีมันก็ไม่ดีคือหมายความว่าบางทีเราเอ้ากับ ทำสิ่งที่ไม่ดีมีการเบียดเบียนตัวเองมีการเบียดเบียน คือนิชิของเราเนี่ยไม่มีส่วนที่เรียกว่ากิเลสอยู่แต่กิเลสนี่ก็หมายมันขุ่นมัวหมองมัวเวลาที่มันยังไม่ออกเนี่ยมันก็สบายๆมั้ยก็ เมื่อไหร่ที่เจ้ากิเลสนี้มันออกมาเนี่ยหืมมันไม่ออกมาทางปากไม่ออกมาทางกายแต่มันอยู่ในใจมันบังคับ ใจบังคับกายนะพอปากกับกายถูกใจที่แสดงถึงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจออกไป กำหนัดโมหะมัวภพันนะเราเป็นในกิเลสเนี่ยถ้าจะพูด dark side นะถ้าใครเคยดูภาพยนตร์ที่เค้ามีการต่อสู้ เราไม่เห็นเราไม่รู้มันก็ก็เลยจะพลาดไปสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าต้องมีที่ยึดไว้ยึดในที่นี้ไม่ใช่ตัณหานะเอ่อไม่ใช่อุปาทานนะแต่มีที่เกาะก็เรียกเป็นเกาะนะเป็นเกาะเกี่ยวนะมีที่ที่เราจะให้เรารั้งเหนี่ยวเอาไว้นะไม่ให้ไหลไปตาม นะที่ตั้งที่ระลึกถึงเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงถึงเนี่ยจิตของเราถึงณที่พึ่งที่ระลึกถึงเวลาอะไรในเวลาที่มันมีกิเลสเครื่อง คุณคล่องมองหมัวเซ่ามองเอ้าเรายังน้อยเรามีที่พึ่งที่ระลึกถึงพอเราไปหาๆ มันก็ดึงเรากลับไปอีกแล้วเราก็นึกถึงแล้วใช่เราก็ดึงกลับมาอีกแล้วก็ปล่อยสิ่งที่มัน นั่นก็คือว่าเราเราไม่ต้องไปดึงกระไกลแต่ถ้าดึงแล้วเราก็จะเหนื่อยเปล่าแล้ว ไหนถ้าเมื่อไหร่มีผัสสะขึ้นเกิดขึ้นปุ๊บอ๋อกิเลสมีโอกาสเกิดได้เมื่อนั้นแล้วโอกาสที่จะ ดึงอยู่ตลอดตลอดไปล่ะเราต้องมีเอ่อความระมัดระวังนะความที่จะต้องคอยตรวจ 3 อย่างนี้ทั้งฝั่งเวทนาสัญญาวิตกเนี่ยเป็นสิ่ง นะถ้าเวทนาเกิดขึ้นก็รู้เวทนาตั้งอยู่และดับไปเราก็รู้เกิดขึ้นตั้งๆอ่านี่แหละ เนี่ยพอเราพัฒนาสมาธิภาวนาที่จะเป็นไปเพื่อ 5 ซึ่งอินทรีย์นี่บ่งบอกถึง แต่อินทรีย์น้อยความเร็วก็น้อยลงในการที่จะบรรลุธรรมตรงนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะบรรลุธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งเนี่ยอินทรีย์เนี่ยจึงเป็นตัวสําคัญคือศรัทธา อันใดกันตรัสรู้กับพุทธเจ้าน่ะว่าโอ้บุคคลที่แม้หลุดพ้นออกมาได้ด้วยตัวเอง หรือว่าขยันกันแก่งความเพียรนะก็คุณรู้ข้อมูลแล้วนี่นะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีไหนคิดค้นสิ่งเช่นเอ่อเรื่อง เรามีความเพียรตรงนี้แล้วเนี่ยเออๆพอๆเนี่ยเมื่อทํา ตามแนวพระองค์แก่การสรุตัมเริ่มเริ่ม 4 นั่นเองที 4 เนี่ยแม้บางทีถ้าฟังบางคนบอกว่าโอ้ นะมีสติแล้วทำสมาธิได้นะมีสมาธิแล้วเราย่อมเราเห็นความเกิดขึ้นความดับไป มันเป็นการยากมากที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทเป็นการยากมากที่จะบรรลุธรรมะแล้วก็จึงคนที่มารู้ตรงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นคนที่มีปัญญาล่ะนะคืออยู่ในเอ่อของพระ 5 นี้นั่นเองของอินทรีย์ 5 นี้เองก็ 1 เป็นอัน เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เอ่อทราบว่าธรรมะเหล่าใดที่เราได้ๆทําไปนะฟัง นารีมีหลายอยู่คนที่เริ่มปฏิบัติก็มีนะคนที่ทํากิจการงานทําๆนั้นก็ 106 puredhamma.com/106 เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าพระไป